ไปที่โรงบันกลางนะมีคนหนึ่งก็มาต่อว่าหลวงพ่อนี่เป็นพระที่เข้าถึงยากที่สุดเลยเอ๊ะเราก็ว่าเราก็เข้าถึงง่ายนะวันวันหนึ่งคนก็มาเยอะแยะมันเหมือนเราปลูกต้นไม้ไว้สักต้นนะอยู่ในทุ่งเลยมีคนเดินไปหาต้นไม้หนึ่งคนก็นเข้าไปถึงต้นไม้นะ เข้าไปพันคนถึงต้นไม้ทุกคนก็ไม่ถึงโดยธรรมชาติต้นไม้ก็ไม่ได้เล่นตัวซะหน่อยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะมีพระหลายองค์ท่านใช้คำว่าปรากฏการณ์ฟีโนมีนาปรากฏการณ์ที่คนสนใจธรรมะหลวงพ่อไพศาร วิสาโรก็ไปเขียนหนังสือยุคนี้เป็นยุคที่มีปรากฏการหลวงพ่อปรมนปรากฏการอะไรปรากฏการที่คนชั้นกลางคนอย่างพวกเรานี่แหละส่วนใหญ่เป็นมนุษย์เงินเดือนด้วยซ้าไ ป, ไปนะหรือนักธุรกิจก็เป็นไม่ใช่ธุรกิจแบบแสนแสนล้านหมื่นล้านอะไรเนงะ้ยสนใจธรรมะและไม่ได้สนใจฉับชฉวยแต่สนใจที่จะฝึกตัวเองให้พ้นทุกข์จริงๆต้องการมรรคนิพพานจริงๆ นี่เป็นปรากฏการณ์ที่ดีที่สุดเลยนะแต่เดิมศาสนาของเรานะีดูกิ๊กก๊อกคือไม่ใช่ว่าศาสนาเราไม่ดีนะแต่ว่าคนมันไม่เข้าถึงคนก็คิดว่าศาสนาก็เป็นแค่ที่ทาบุญอะไรเงี้ยไปใส่บาตรฟังเทศอเงี้ยก็ถือว่าเป็นศาสนาลนะมาถึงวันนี้ส่วนมากไปเข้าวัดตอนมีงานศพใช่งานอื่นๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไปวัดลนวะไปแต่งานศพ คิดว่าถ้าสวดศพแบบเอาพระมาสวดกุศลาธรร ม, มานี่ยังเป็นชาวพุทธอยู่นอนาถาจริงๆเลยศาสนาพุทธไม่ได้กิ๊กก๊อกขนาดนั้นนะศาสนาพุทธเป็นหลักของการปฏิบัติจริงๆเป็นศาสตร์ที่จะฝึกให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆไม่เคยล้าสมัยมีอยู่ช่วงหนึ่งคนรู้สึกว่าศาสนาพุทธคลอนแคลนศาสนาพุทธเป็นความเชื่อต่างๆ พอวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นมาเราก็พยายามบอกว่าศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์พยายามขอจะเป็นวิทยาศาสตร์กับเขาด้วยนะคล้ายๆตัวเองไม่มีคุณค่าเท่าไหร่ขอช่วยรับชั้นเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยสักคนเถอะหลวงพ่อ <ๆ S 2> บอกในศาสนาพุทธไม่สนใจหรอกว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่าบางคนก็ว่าศาสนาพุทธเป็นปรัชญาทั้งที่ศาสนาพุทธก็ไม่สนใจหรอกว่าตัวเองจะเป็นปรัชญาหรือเปล่าเราเป็นศาสตร์อันหนึ่งซึ่งอยู่ได้ด้วยตัวเองนะ เป็นศาสตร์ว่าด้วยความพนทุกข์ซึ่งไม่มีใครเสมอเหมือนนี่เราเป็นศาสตร์ที่แบบไม่ต้องงอไม่ต้องขอพื้นที่ส่วนเหลือเล็กๆน้อยๆขอยืนอยู่ในสังคมด้วยสักหน่อยไม่จําเป็นเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งคนก็ห่างเหินาศาสนาไปมากนะพระก็ต้องดิ้นรนไปทําสังคมสงเคราะห์บ้างอะไรบ้างนะเพื่อจะได้ขออยู่ในสังคมกับเขาด้วยที่จริงไม่จําเป็นเลย สับใดที่คนยังมีความทุกข์อยู่นะศาสนาพุทธก็ยังอยู่ได้สสนนเพราะศาสนาพุทธนี่แหละเป็นศาสนาที่ตอบคําถามเราโดยตรงเลยว่าทําไงเราจะมีชีวิตที่ไม่ทุกข์ไม่เห็นจะต้องไปง้อเลยว่าเป็นวิทยาศาสตร์หรื อ, รอไม่เป็นใช่ไหมก็เราไม่ทุกข์อ่ะไม่เห็นจะต้องสนใจว่าเป็นปรัชญาหรือไม่เป็นก็เราไม่ทุกข์อ่ะนะก็วิทยาศาสตร์จะพนทุกข์ไหมก็ไม่พ้นนี่ปรัชญามันพ้นไหมมันก็ไม่เห็นมันพ้นสักคนหนึ่ง งั้นเราไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้เราก็เป็นพุท ธ, ธะของเราอย่างนี้แหละไม่เห็นจะต้องง้อใครเลยคนในรุ่นพวกเรานะขณะนี้เราสนใจการปฏิบัติมากเราไม่ใช่ปฏิบัติฉับเฉวยเราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกกันจริงๆแล้วก็พ้นจริงๆด้วยเราพ้นเป็นลำดับลําดับฝึกได้นิดหน่อยก็พ้นนิดหน่อยนะฝึกได้มากก็พ้นมากฝึกให้เต็มที่ก็พ้นไปเลยแล้วพ้นจริงๆด้วยไม่ใช่หลอกๆไม่ใช่หลวงพ่อโฆษณาเชวนเชื่อ คนที่มาเจริญสติตามที่หลวงพ่อบอกเนี่ยชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปนี่นับไม่ถ้วนวนะนะไม่รู้ว่าเป็นกี่พันกี่หมื่นคนแนละ้วตอนนี้ที่ชีวิตจิตใจของตัวเองเปลี่ยนไปหลวงพ่อไม่สนใจแล้วหลวงพ่อจะอยู่ได้นานแค่ไหนไม่มีความจําเป็นเราไม่ใช่สถาบันเราเป็นแค่ปรากฏการสถาบันต้องอยู่ต่อเนื่องยาวนานปรากฏการนั่นแหละคือตัวธรรมะปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไป อยู่ที่ว่าตอนที่ปรากฏขึ้นมานันได้ถ่ายทอดอะไรขึ้นไหมหลวงพ่อเคยรู้สึกนะว่าเออพระแท้ๆเนี่ยนะไม่ได้มีตัวมีตนอะไรหรอกความรู้สึกของพระแท้ๆเนี่ยนะท่านรู้สึกเหมือนท่านเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านที่ธรรมะจะถ่ายทอดมาสู่โลกเป็นทางผ่านที่จะให้ชาวโลกนั้เข้าไปถึงธรร ม, มะมีความรู้สึกเหมือนเป็นทางผ่านเท่า น, นั้นเองอย่างคนมากราบหลวงพ่อนะก็มีความรู้สึกว่า เขากลับพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าเขากลับเราเราภาวนาไปได้ๆนะเราจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนี่บอกซื่อเลยแต่บอกละเอียดกว่านี้ชัดกว่านี้ก็น่าเกลียดไปนิดหน่อยก็บอกแบบเป็นปริศนาเล็กๆนั้นเราภาวนานะวันหนึ่งเราจะเห็นในโลกเต็ไมไปด้วยความทุกข์แต่ไม่มีคนเป็นทุกข์หรอกโลกมีแต่ทุกข์ไม่มีคนเป็นทุกข์เราภาวนาจนกระทั่งมันพ้นทุกข์จริงๆ เห็นคนอื่นน่าสงสารมีแต่ความทุกข์แต่เกียดแต่กายดิ้นรนนะน่าสงสารที่สุดเลยจิตใจที่เรามีต่อคนอื่นนะันก็คือความเมตตาสงสารที่เราเห็นใจเท่านั้นเองงินมาเรียนที่หลวงพ่อนะหลวงพ่อจะมีหลักเกณฑ์ของหลวงพ่อมากมายเช่นต้องไม่มีการเรียรัยนะเรียรัยนี่มันสร้างความทุกข์ให้คนอื่นอีกบางคนยากจนจะมาแล้วต้องเสียเงินเสียทองอะไรเงี้ยไม่จาเป็น อย่างตอนนี้นะหลวงพ่อพิมพ์หนังสือมีหนังสือแจกเยอะแยะเลยตอนบวชใหม่ๆนะไม่มีเงินจะพิมพ์หนังสือหรอกเก็บตังค์ไว้ได้นิดหน่อยนะไปโลเนียวแจกนะ mm hmm. เ อ, อก็อยังทําทํำไาเรื่อยๆถึง ต, ตอนนี้ก็มีหนังสือแจกเยอะแยะมีทุนหมุนเวียนบางคนบอกว่าแจกมากเหลือเกินแจกคนละแค่นี้เขาจะอ่านเหรอบอกไม่อ่านก็ช่างมันเถอะให้หนังสือมันกระจายออกไป มากๆคนไหนมันมีบุญวาสนาบ้าก็ได้อ่านหรือซีดีกระจายออกไปนะคนไหนมีบุญวาสนาวันหนึ่งก็ได้สัมผัสเขาจะได้พ้นทุกข์ของเขาไปเราก็ต้องการแค่ให้เขาพ้นทุกข์เท่านั้นแหละไม่ได้อยากได้อะไรของเขาเนี่ยนั้นมีให้เยอะแยะบางคนบอกแจกมากแนละ้วเดี๋ยวจะเอาเงินที่ไหนไปทำผมไม่เห็นมันหมดนะถ้าหมดแล้วก็หมดเลยก็ช่งางเพราะก็ไม่มีแจกก็ไม่เห็นจะยากอะไร ถ้าไม่มีแจกจริ ง, รงๆแล้วหลวงพ่อก็ทำเผยแพร่ไว้ทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเสียตังค์ไม่มากหรอกเขาทำได้ตอนนี้มีเว็บไซต์ที่พ่วงๆต่อไปนะหนังสือหลวงพ่อเอาซีดีอะไรเนี่ยไปให้คนดาวน์โหลดเนี่ยนับไม่ถูกเราไม่มีกี่แห่งทั้งในเมืองไทยนอกเมืองไทยมีสารพัดแล้วคนที่เอาไปฟังแล้วไปช่วยกันก๊อปปี้ไล์ซีดีแจกกันอีกเยอะแยะมันเลยเป็นปรากฏการณ์จับต้องไม่ถูก ว่าใครเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทจับต้องไม่ถูกเพราะฉนั้นหลวงพ่อประโมทก็เป็นคนที่เข้าถึงยากจับต้องไม่ได้ <c oughs> ลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทอยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้นะมันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่สําคัญคือมันเป็นเรื่องของจิตใจจิตใจที่สแสวงหาความพ้นทุกข์นะแล้วมาเรียนให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรหลวงพ่อก็แค่เป็นคนประกาศธรรมะของพระพุทธเจ้านะ ถ่าทอดธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ผ่านมาจากครูบาอาจารย์ท่านสอนหลวงพ่อมาหลวงพ่อก็ภาวนาตามเกิดความรู้ความเข้าใจก็มาบอกสอพวกเราที่ได้ฟังลงมือปฏิบัติเราก็พ้นทุกข์เป็นลําดับลําดับไปนะคนที่ชีวิตจิตใจเปลี่ยนแปลงตอนนี้นับไม่ถ้วนวเยอะบางคนจะบ้าไม่บ้าแหละก็อ ย, อยิ่งชั่วขึ้นมาเรียนกับหลวงพ่อโดยตรงไม่มีบ้านะมีแต่พวกที่อ้างว่าเปรู้สิทธิ์หลวงพ่อแล้วบ้าเนี่ยมี ฟังครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรแล้วก็คิดเอาเองล้บรรลุผู้หญิงมากบ้ามากว่าผู้ชาย <laughs> นี่ตามสถิตนะิต้องใส่ผู้หญิงลำบากมากอยากผลทุกนะมุ่งมั่นจะผลทุกให้ได้เลยผู้ชายมันก็เหลวไ <laughs> หลเลยหยอดใหญ่เลยไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นปลาหันะผู้หญิงมีความทุกข์เยอะดิ้หนุนมากนะคิดว่าบรรลุกันเอาละมาพร้อมๆกันละต่อไปนี้จะตรวจกันบ้าน การตรวจการบ้านนะจะบอกให้ไม่ได้มีอะไรมากหรอกไม่ต้องถามก็ได้เวลาหลวงพ่อตรวจการบ้านนะก็คือแต่ละคนมาบอกว่าตัวเองทำอะไรอยู่หลวงพ่อก็ช่วยแค่นิดเดียวเองว่ามันพลาดจากหลักยังไงหลักของการปฏิบัตินระสอนทุกวันให้มีสติรู้กายรู้ใจทมความเป็นจริงเลยสอนทุกวันทุกวัน นี่บางคนมาถึงก็เพ่งอยู่ไม่ได้มีสติเลยไปเพ่งๆเอาไว้เป็นมิจฉาสติบางคนก็ใจลอยบางคนก็หลงไปไม่ได้ดูกายดูใจก็พาให้ดูกายดูใจแม่นรวมแล้วก็คือลากให้เข้าหาหลักนั่นเองถ้าเรียนหลักแม่นก็ช่วยตัวเองได้ไม่ต้องให้หลวงพ่อช่วยหรอกแล้วถ้าสงสัยจริงๆก็ไปฟังซีดีหลวงพ่อไม่แนะนำให้ไปเข้าวัดเข้าคอร์สที่ไหนหรอกอยู่บ้านภาวนาที่บ้านเรานะ ถ้าจะไปเข้าวัดหรือเข้าคอร์สก็ควรเลือกวัดเลือกคอร์สที่เขาไม่ยุ่งกับเราไม่มาตรวจกันบ้านเรานะทําเราเสียหายเยอะแยะเลยมันไม่แม่นดีไม่ดีเขาพาเลิดเปิดเผยแล้วนะหลายแห่งเลยนั่งสมาธิเห็นโน้นเห็นนี่เขาชมว่าดีดีตรงไหนมันกิเลสทั้งนั้นเลยเนะนะืรู้สึกเนะืรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกธรรมดาเกินไปเบางคนกะ็บอกให้เนพะ่งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ ลายแห่งนะครูบาอาจารย์ชั้นเลิศเลยนะพอมันสืบทอดไปแล้วมันตุปตะตุเปไปนะหรือบางที่ก็รู้แล้วว่าสอนผิดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยรู้ว่าสอนผิดนะรู้ว่าการเจริญสติไม่ได้กำหนดแนละแต่ก็ต้องสอนต่อเพราะกลายเป็นอาชีพไปแล้วลำบากนะให้เราเรียนหลักให้แม่นช่วยตัวเองให้มากชาวพุทธต้องช่วยตัวเองแต่ไม่ใช่ช่วยแบบคนไม่มีหลัก ที่หลวงพ่อสอนทุกวันนะหลวงพ่อสอนหลักของการปฏิบัติส่วนอุบายของการปฏิบัตินะั้นเรื่องกิกก๊อกอย่างเป็นต้นว่าจะเดินท่าไหนเรื่องกิกก๊อกถ้าตีนข้างหนึ่งยาวข้างนึงสั้นก็ต้องเดินกระเพลกกระเพลกเป็นพระอรหันได้ไหมก็เป็นได้ใช่ไหมไม่ใช่ต้องเดินสวยนี่จำเป็นเลยแล้วมันอยู่ที่หลักให้แม่นนะทำยังไงสติที่แท้จริงจะเกิดทําไงสติที่แท้จริงเมื่อเกิดแล้วเนี่ยจะรู้กายลงปัจจุบันจะ ต, ตามรู้จิต รู้กายลงปัจจุบันแต่ว่าตามรู้จิตคนละอ่านกันเวลาที่รู้กายจิตไม่ถลำลงในกายจิตตั้งมั่นในการรู้กายเวลาดูจิตจิตก็ตั้งมั่นไม่ไหลตามเข้าไปโลกของความคิดหรือโลกของความว่างอะไรเนี่ยให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอยรู้สึกไปพอรู้แล้วหลงยินดีให้รู้ทันมันก็เป็นกลางรู้แล้วาหลงยินไร้ายก็ให้รู้ทันมันก็เป็นกลาง หลักของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราต้องหลักให้แม่นต้องรู้กายรู้ใจแล้วก็เห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ถ้าเห็นแต่กายแต่ใจแต่แตแต laf, uke, ไม่เห็นกายใจแสดงไตรลักษณ์ใช้ไม่ได้ถ้ารู้กายอย่างเดียวรู้ใจอย่างเดียวเช่นบางคนรู้ลมหายใจบางค<ๆ>นดูท้องผองยุบบางคนยกเท้าย่ย<ๆ>้งเท <ôi> ้าเห็นลมหายใจเห็นท้องเห็นเท้าไม่ใช่วิปัสนาต้องเห็นกายนี่แสดงไตรลักษณ์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 งั้นไม่ใช่ว่ารู้กายรู้ใจแล้วจะเป็นวิปัสนาเสมอไปส่วนมากที่รู้กายรู้ใจก็ไม่เป็นวิปัสนาเพราะขาดเงื่อนไขาสาคัญคือขาดสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิไม่ใช่การเข้าฌานสัมมาสมาธิคือจิตที่ความตั้งมั่นของจิตจิตที่มีสัมมาสมาธิมันจะตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเวลารู้ลมหายใจนะมีจิตตั้งมั่นอยู่ก็จะเห็นเลยตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเวลาเดินอยู่ ก็มีจิตตั้งมั่นอยู่ก็จะเห็นเลยตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเราเวลาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นมีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ก็จะเห็นว่าสุขทุกข์เฉยเฉเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่ตัวเราทีก็แปลกปลอมเข้าในกายในใจนะแต่ว่าล้วนแต่ผ่านไปผ่านมาไม่มีตัวเราเวลาที่จิตตั้งมั่นอยู่แล้วกุศลอกุศลเกิดขึ้นก็จะเห็นว่ากุศลและอกุศลทั้งหลายนะผ่านมาผ่านไปไม่ใช่ตัวเราอีกจะเห็นทําไม่ใช่ตัวเราเพราะมันมีตัวผู้รู้ที่ตั้งขึ้นมา เพ้ถ้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูอยู่ใช้ได้นะยกเท้ายั่งเท้าจิตเป็นคนดูอยู่ใช้ได้ท้องพองท้องยุบจิตเป็นคนดูอยู่อย่างนี้ใช้ได้หายใจออกหายใจเข้าจิตเป็นคนดูอย่งใช้ได้แต่ถ้าไปเพ่งใส่ลมใส่ท้องใส่เท้าเป็นสมถะเป็นเพ่งตัวอารมณ์จะไม่มีปัญญาไม่เห็นไตรักษณ์จับหลักให้แม่นเราจะช่วยตัวเองได้มากนะชาวพุทธต้องช่วยตัวเองให้ได้หลวงพ่อ พยายามประคบ ป, ประงมพวกเราสุดฤทิสุดเด็ดนะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเร้่ยแรงแต่ละวันแต่ละวันปรารถนาอย่างเดียววันหนึ่งพวกเราจะพึ่งตัวเองได้ไม่ใช่ให้พึ่งหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นปรากฏการณ์ซึ่งอยู่ชั่วคราวปรากฏการณ์ต้องหายไปงั้นเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้จับหลักที่พระพุทธเจ้าสอนให้แม่นแล้วเราก็จะพึ่งตัวเองได้อย่าเชื่อคนอื่นง่ายๆอย่าเชื่อข่าวลือข่าวลวง ข่าวสร้างขึ้นมาข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเม็กเมคหาผลประโยชน์มีเยอะแยะไปหมดเลยคนโน้นบรรลุคนนี้บรรลุคนโน้นบรรลุคนนี้บรรลุบรรลุจริงหรือไม่บรรลุจริงไม่ได้เกี่ยวกับเราอย่างเรารู้ว่าคนโน้นบรรลุคนนี้บรรลุนะจริงหรือไม่จริงอ่ะเราก็ไม่ได้พ้นทุกข์ด้วยที่สําคัญนะเรามีสติเรามีปัญญาเราคอยรู้กายรู้ใจของเราด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแล้ววันนึงเราพ้นทุกข์จริงๆอ่ะมันดีมันวิเศษมากกว่าจะคิดพึ่งพาคนอื่น อันตรายเลยเกิดนะเที่ยววิ่งหาอาจารย์พลัานพลั้นไปนะมันจะเข้าขายคนตาบอดจูงคนตาบอดไปด้วยกันต้องระมัดระวังมากเลยเพราะฉะนั้นหลักต้องแม่นนะนหลกงพ่อบอกไม่ได้แม่ตามหลวงพ่อนะแต่มาเรียนหลักมาเรียนหลักแล้วไปช่วยตัวเองนี่เรื่องสําคัญที่สุดเลยเนี่นหลักให้แม่นไว้นะพักเพียรอดทนฟังซีดีไปอ่านหนังสือไปที่หลวงพ่อเขียนไว้มีให้เยอะแย ะ, แยะ เล่มไหนอ่านยากไปก็ภาวนาก่อนไปฟังซีดีซีดีเนี่ยเป็นเบสิกเลยพื้นๆพอฟังซีดีไปภาวนาไปพอเข้าใจก็จะอ่านหนังสือได้ขยบขึ้นไปได้เป็นขั้นๆห น, นังสือเรื่องที่ยากที่สุดลึกซึ้งที่สุดคือเรื่องอ ร, ริยสัจคนก็ชอบอ่านนะมันก็นึกว่าเข้าใจไม่เข้าใจหรอกเข้าใจด้วยกันคิดเอาหนังสือพื้นๆเลยที่เข้าใจง่ายเรื่องแต่เธอผู้มาใหม่อะไรพวกเนี้นะ หนังสือที่ชี้หลักของการปฏิบัติแบบย่อยๆที่สุดนะคือวิธีแห่งความรู้แจ้งสองหนะังสือที่แาจากแจงรายละเอียดของวิธีปฏิบัตินะคือปฏิทัติสงธรรมแล้วก็ทางเอกแนะนำให้อ่านทางเอกมากกว่าประบิธรรมจะหลวงพ่อเขียนมันเป็นเวอร์ชั่นแรกอ่านยากนิดนึงเลยพัฒนามาเป็นทางเอกกะจะให้สั้นลงนะกะเป็นยาวกว่าเก่า หนังสือที่อ่านแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินนะคือวิมุตติปฏิปทานะพิม์ไปสองครั้งเลยเลิกพิม์เลยเอาไว้ให้พวกเราแข็งแกร่งก่อนแล้วค่อยพิมแจกใหม่ตอนนี้ C, อิอนทรีย์อ่อนๆย่งเพิ่งไม่อ่านเลยนะมีให้เลือกหลายแบบนะแลแต่เพรา้วเราค่อยๆภาวนานะและความรู้ความเข้าใจจะมากขึ้นมากขึ้น พอ เ, เข้าใจแล้วนี่ไปอ่านเนี่ยจะพบเลยว่าสิ่งที่หลวงพ่อเขียนไว้เนี่ยบอกสภาวะอย่างซื่อๆเลยบอกอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่ปริศนาธรรมบอกอย่างตรงไปตรงมาเลยถ้าเข้าใจนะก็พ้นทุกข์อย่างรวดเร็วเลยพ้นจริงๆรู้ด้วยตัวเองเลยวันนี้เทศยาวนิดนึงนะเพรตรวจกานบ้านก็ไม่ทั่วถึงอยู่แล้วละงั้นทุกคนฟังแล้วก็ได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างนี้ต่อไปใครมี ความจำเป็นเชิญส่งกันบ้านให้ผู้อยู่วัดมีสิทธิ์เลือกก่อนอเชิญมาเขาที่แล้วครับหลวงพ่อ<ม>ติดสภาวะครับอะไรนะั้นติดสภาวะหลวงพ่อบอกติดสภาวะอ๋อติดสภาวะตอนนี้ตอนนี้ยังติดอยู่<ม>ป่าครับนิดหน่อยยังติดเพ่งอยู่ยังไปบังคับจิตอยู่นะ<ม>ปล่อยให้มันทำงานอิสระเลยรู้สึกไหมขณะ น, นี้กดเอาไว้หน่อยหนึ่งควบคุมไม่หน่อยหนึ่ง สังเกตไหตอนที่ไม่กดจิตจะกระจายออกไปดูออกไหมจิตไม่ถึงฐานของมันนะ<า>ขณะนี้รู้สึกไหมจิตมันไม่ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจจิตมันตื่นตัวแล้วมันกระจายออกไปข้างนอกนะการที่เราไปเพ่งไว้ก็ใช้ไม่ไดนะ้การที่จิตไหลไปว่างๆอยู่ข้างนอกก็ใช้ไม่ได้เป็นะนความสุดตรงทั้งนั้นเลยให้เรารู้สึกนะ ใจเราไปข้างนอกเราก็รู้ทันใจเราเพ่งอยู่เราก็รู้ทันใจเราเป็นยังไงเรารู้เรื่อยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะดีขึ้นเยอะและ้วรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมรับรู้สึกนี่แหละ<อ>ใจมันโลง่งว่างๆขึ้นมาเห็นสภาวะมันเคลื่อนไหวได้ละถ้าเพ่งอยู่จะไม่เห็นความเคลื่อนไหวไม่เห็นใจรักแล้วไงอีก <laughs> เราพูด<อ>คนเดียวเ <laughs> มื่อคืนก็รู้สึกนั่งสมาธิจะฟุงครับ มันจะกระวนกระวายให้รู้ว่ากระวนกระวายครับไม่ใช่นั่งเพื่อให้สงบเรานั่งเพื่อรู้ความจริงการปฏิบัติมีสองแบบนะถ้าทําสมถะเนี่ยทำไปเพื่อความสงบถ้าจะเจริญปัญญาเนี่ยทำไปเพื่อเห็นความจริงนั้นตอนไหนจิตไม่สงบนะรู้มันก็ไปซื่อๆเลยรู้ว่าจิตไม่สงบความไม่สงบก็ไม่เที่ยงใช่ไหมถ้าเรารู้ได้จิตซื่อๆนะความไม่สงบจะต้องดับให้ดูแน่นอนจิตจะสงบนี่ง่ายๆนะ ้นเวลาจะทำสมาธินะบางคนบอกว่าดูจิตแล้วจะทำสมาธิไม่ได้ต้องไปรู้ลมหายใจเขาใช่ผิดจิตจะมีสมาธิหรือไม่มาอยู่ที่ว่ามันมีนิวรณหรือไม่ถ้าไปนั่งสมาธิหายใจแล้วก็ด้วยโลภะอยากจะสงบไม่มีวันสงบถ้านั่งแล้วก็บีบเข้นใจไปเรื่อยนะบังคับใจกดข่มใจไปเรื่อยไม่มีวันสงบหรอกถ้านั่งแล้วก็คิดไปเรื่อยๆก็ไม่มีวันสงบหรอกนั่งแล้วสงสัยไปเรื่อยๆก็ไม่สงบนั่งแล้วซึมไปเรื่อยๆก็ไม่สงบร แต่ถ้าเราไม่ได้นั่งนะจิตเรามีกา ร, รมะฉันทะเราก็รู้มีพยาบาทเราก็รู้นะมีความลังเลสงสัยมีความฟุง้งซ่านลำคาญใจมีความหดหู่อะไรขึ้นมาเรารู้รูปเดียวเลยสิ่งเหล่านี้มันจะดับเองทันทีที่สติเกิดนะกุศลทั้งหลายมันจะดับเองเมื่อ น, นิวัณทั้งหลายดับไปจิตจะมีสมาธิขึ้นมาเองใช่ไหมเป็นวิธีที่ง่ายๆวิธีนี้พระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าอิชาตศัตรู อยู่ในพระสูตรที่2ชื่อสามัญจะผลสูตรนะสูตรที่2ทําไมท่านแทนที่จะสอนหายใจหายใจไปก่อนแล้วค่อยมีสมาธิแล้วม่จเจริญปัญญาเพราะพระเจ้าชาติศัตรูเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะให้นั่งสมาธิจนเข้าฌานชาตินี้คงไม่ได้ภาวนาหรอกท่านเลยสอนให้รู้ทันเลยจิตมีนิวรณ์ขึ้มารู้ทันนะสมาธิมันจะเกิดนี่ใช้ปัญญานําสมาธินะท่านบอกน่าเสียดายอาชาติศัตรูไปฆ่าพ่อซะก่อน ถ้าไม่งั้นฟังทำวันนี้จะได้เป็นพระโสดาบันนะ้แต่ไม่ได้เป็นแล้วไงอีกก็รู้สึกจะเดินจงกรมนี่จะมีสติดีดีกว่านั่งนะเออเดินให้มากนะยังมีแรงเดินเดินไห ม, มแต่ไม่ใช่เดินเอาดีเดินไปแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้เดินเอารู้ไม่ใช่เดินเอาดีนะถ้าเดินเอาดีวันหนึ่งมันจะไม่ดีอันนี้เป็นเป็นที่สิ่งที่หลวงพ่อสังเกตมา อย่างวันนี้เราภาวนาแบบนี้แล้วดีอีกวันนึงเราคาดหวังว่าจะทําอย่างนี้แล้วจะดีไม่มีวันจะดีเลยมันใช้ไม่ได้เลยเพราะคลยๆกิเลสเนี่ยนะพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วเลยแล้วเอายาอันเดิมมาให้มันกินนะมันไม่หายจิตมันต้องผลิตสติผลิตปัญญาสดๆร้อนๆขึ้นมาสู้กิเลสสดๆร้อนๆถึงจะสู้กันได้ถ้กิเลสสดๆร้อนๆเกิดนะเอายาโบราณมาใช้ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่าเดินจงกรมแล้วจะสงบนะ เดินไปสงบก็เดินไปรู้สึกตัวไปฟุ้งซ่านก็เดินไปรู้สึกไปเห็นจิตมันฟุ้งซ่านไม่ใช่เราฟุ้งซ่านเราเป็นแค่คนดูคนที่ดูนี่ยไม่เคยฟุ้งซ่านอ่ะคนต่อไปบ้างครับ n a m a s k อย่าให้ซึมนะวันนี้ทําใจให้คึกคักไว้คึกคักสํานักของหลวงพ่อต้องสํานักแอคทีฟไม่ใช่จ๋องจ๋องจอง๋คึกคักไว้เวลาปฏิบัติจะใช้วิธีที่ว่า มองเข้ามาข้างในตัวนะคะหลวงพ่อแล้วก็เห็นว่าลมมันเข้าลมมันออกแล้วก็พ อ, อจิต เ, เราแ <นะ S 2> วบไปนะคะ จ, จิตมันจิตมันยังถลําลงไปดูวางใหม่ลงวางใหม่แล้วหายใจให้หลวงพ่อดูภาวนาไปรู้สึกไหมเนี่ยน้อมใจไปล้วรู้สึกไหมน้อมให้นิ่งเลิกซะเลยอันนี้อันนี้ผิดอันนี้ฝึกมิจฉาสมาธินะถ้าฝึกสัมมาสมาธิก็นั่งดูร่างกายนี้หายใจไป นั่งดูได้ความรู้สึกตัวสบายๆจิตจะสงบหรือจิตจะไม่สงบไม่สําคัญสําคัญที่เรามีสติเห็นร่างกายนี้หายใจไปเรื่อยร่างกายทํางานหรือว่าจิตแอบไปคิดก็ค่อยรู้เอาจิตต้องตั้งมั่นอยู่อย่างตะกี้จิตไม่ตั้งมั่นพอนั่งสมาธิผู้จิตก็น้อมเคลื่อนลงไปข้างในจิตไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูนะเราฝึกให้จิตตั้งมั่นย่างของโยมเนี่ยค่ะหลวงพ่อจะใช้ ลมหายใจเป็นวิหารธรรมได้ไหมคะใช่ได้แต่ต้องมีจิตที่ตั้งมัน่นต้องรู้จักตัวนี้ให้ได้นะถ้าไม่งั้นจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมเอาใหม่วางลงแล้วหายใจใหม่อยรู้สึกไหมจิตไหลไปอยู่ที่ลมอย่าให้จิตไหลไปอยู่ที่ลมให้จิตเป็นคนดูร่างกายที่หายใจนะสมัยก่อนเข้าวัดครูบาอาจารณ์นะไม่ว่าครูบาอาจารย์หลวงปู่องค์ไหนก็ตามสอนเหมือนกันหมดเลยว่าต้องมีตัวรู้มีผู้รู้ ไม่ใช่ผู้เพง่งผู้เผลอผู้หลงหลังๆนะพลาดไปหมดละห้ทําสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิทําล้วเคริม้มเคลิ้มแล้วเห็นโน่นเห็นนี่แล้วว่าดีไม่ดีหรอกต้องนั่งแล้วรู้สึกตัวนะครูบาอาจารย์สอนสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนั้นทําสมถะก็ต้องมีสติเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยแล้วมันเป็นสมถะตรงไหนมันไม่ได้วิ่งซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆ ต, ต, ตามธรรมชาติเหมือนตอนทํามิปรสนา มันเห็นอยู่ในอารมณ์เดียวเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆถึงขั้วสงบมันสงบเองยมต้องเปลี่ยนวิหารธรรมเป็นเคลื่อนไหวหเคลื่อน<ค> ไ, ไ, ไหวดีน ะ, คะเคลื่อนไหวดีที่สุดแต่ถ้าจะรู้ลมก็ใช้ได้แต่อย่าให้จิตไหลไปอยู่ในลมให้รู้ทันว่าจิตไหลไปที่ลมถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไปที่ลมนั้นจิตจะถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ตต่อไป ขอกราบค่ะคพ่อช่วงเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเห็นกายกับใจมันห่างกันมากขึ้นเจ้าค่ะคราวนี้มีอยู่วันหนึ่งกําลังจะสวดมนต์เจ้าค่ะก็เห็นจิตมันร้องเพลงก่อนในขณะเดียวกันก็เห็นตัวนี้มันกราบอยู่อยู่ดีมันก็มีสภาวะหนึ่งที่มันจิตอารวาสมันไม่ทราบจะใช้ยังไงมันดันขึ้นมาเจ้าค่ะแล้วมันเหมือนจะทนอยู่กับตรงนั้นเนี่ยไม่ได้อก็ถอนออกมา มันไม่ได้ถอนเลยค่ะมันไม่ได้เข้าไปเลยเจ้าค่ะพราะทันทีทีกราบพาเสร็จแล้วมันลุกขึ้นมาเนี่ยมันระเบิดระเบิดที่แรกก็ตกใจเจ้าค่ะเพอะตัวตกใจเนี่ยตัวรูปมันก็เห็นมันก็ขาดนะเจ้าค่ะค่ะจะช่วงนั้นเนี่ยรู้เลยว่ามันมีกําลังมากหลังจากนั้นประมาณอีกสักสองอาทิตย์ได้เจ้าค่ะก็มันก็มีกําลังอยู่งั้นมันก็เห็นอีกสภาวะตัวหนึ่งที่มันทุกข์มากเจ้าค่ะมันก็ระเบิดอืแล้วมันก็ร้องไห้แล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีค่ะ คือใจเราอินกับมันใจเรายังอินกับมันอยู่ถ้าเราเห็นว่ากายมันทุกข์ใจมันทุกข์นะเราเป็นแค่คนดูเราไม่อินกับมันนะไม่เป็นไรตอนนี้อารมณ์มันครอบงําจิตรู้สึกไหมมันเชื่อมโยงเข้าหากันมันครอบงําได้นี่ถ้าใจของเรามีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่เนี่ยมันจะไม่เข้ามาครอบงําเวลาที่เกิดสภาวะอย่างนั้นเลยไม่ต้องไปฝืนมันร่างกายนี้อยากร้องไห้แล้วดูมันร้องไห้ ดูกายดูใจทํางานเราเป็นแค่คนดูเราไม่ต้านเราไม่ฝืนความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตเนี่ยเราอัดเอาไว้นานอัอัดอั ด, อ ด, อดไปแล้วตอนที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็ระเบิดขึ้นมาแล้วนะเราแค่แค่รู้เทะนะ่านั้นดูดูเหมือนคนอื่นทํางานไปนะใจของเราเนี่ยไม่ให้ขาดสติไดนะ้ถ้าจะขาดสติจริงๆนั้นเราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยคิดได้แต่ไม่ใช่คิดเพื่อให้ตัวนี้สงบลงนะ ตัวนี้จะเป็นยังไงปล่อยให้เป็นแค่ตามรู้ตามดูเราเก็บกดมานานต่อไปนี้เราจะไม่เก็บกดมันจะร้องเราดูมันร้องอย่าให้ใจจะอารมณ์ไปรวมกันเท่านั้นแหละเดี๋ยร้องไปก่อนนะเดี๋ยวสบายอ่ะรู้สึกไหมตรงนี้ยมันเบาลงเห็นไหมพอเราไม่ได้คิดจะต้านมันกิเลสมือนกระแสน้ํายิ่งต้านนะยิ่งพลังรุนแรงถ้าไม่ต้านนะเห็นมันไหลามาไหลไปเห็นไหมตอนนี้มันไหลไปล้วดวออกไหต้องไม่ต้านมัน แค่รู้แต่ไม่ให้ขาดสติแค่รู้เท่านั้นเห็นมันมาเห็นมันไปอย่ากลัวมันคุณมาลีไปกลัวมันเข้าอย่าไปกลัวมันถ้ากลัวให้รู้ทันที่กลัวอีกทีรู้ลงปัจจุบันลงไปเรื่อยนะคุณมาลีกดมันแล้วไปกดมันหน่อยนึงเลยอย่าไปกดมันนะถ้าเนี่ยถ้าเรากดมันไปเร่อยๆน้มันสะสมไปเรืเลยถึงวันหนึ่งจิตเนี่ยมทำนบนี้ต้านน้ำที่เยอะแยะอย่างนี้ไม่ไหวมันไม่ละไม่สร้างทำนบขึ้นมา เม่อยากจะไหลเอามาให้มันไหลไปเลยเราเป็นแค่คนดูนะไม่กวางมันอย่าไปต้านมันที่ผ่านมาเนี้ยที่มีปัญหาขึ้นมาเพราะไปต้านมันครับค่ะเมื่อวานนี้ตอนช่งชวงเช้ายังแน่นๆอยู่ที่ก่กลางอกเพราะว่ารู้ว่าตัวเองว่าเพ่งอยู่นะคะแล้วก็พอตอนบ่ายมาเดินจงกรมรู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกเป็นการเดินจงกรมที่ลิเล็กซ์ที่สุดตั้งแต่ที่เคยเดินมาเพราะว่าเดินตามดูร่างกาย รู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวในระหว่างที่เดินไปตอนนี้ยังต่นเต้นในระหว่างที่เดินไปอะนะคะเดินไปเดินไปรู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวรู้ถึงกล้ามเนื้อที่ที่ขยับเทา้าที่สัมผัสพื้นอะนะคะแล้วสักพักก็จะรู้สึกว่าเดินตามตัวตามหลังตัวเองอยู่นะคะแล้วก็พอตอนตกเย็นนี่สวดมนต์ไหวพานั่งสมาธิก็จะเป็นการนั่งสมาธิที่รู้สึกสบายที่สุด เพราะว่ารู้ว่าตัวเองกำลังนั่งค่ะสนุกในการคุยและรู้สึกไหมค่ะชักเพลินค่ะปัจจุบันเป็นยังไงตื่นเต้นค่ะเออตื่นเต้นรู้ไปนะค่ะสังเกตไหมจิตใจมันมีอะไรอีกพอมันจะมาคุยกับหลวงพ่อแล้วมันสร้างอะไรขึ้นมาดูออกไหมฟุ้งซ่านค่ะเออฟุ้งซ่านนั่นก็ตัวหนึ่งไม่เป็นไรไว้ก่อนยังใหม่อยู่ค่ะ ดูไปนะดูลงปัจจุบันไปเมื่อกี้ที่หลวงพ่ให้หยุดเพราะว่าคุยแล้วมันเพลินละจิตมันเผลอจิตมันเผลอจิตมันเพลิ น, น, พลนไปครับรู้รู้สึกตื่นเต้นนะครับกดกอยู่ดูออกไหมไม่ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่อ่ะครับใจทือๆนิดหนึ่งดูออกไหมดูมันนิ่งๆดูออกไหมก็นิ่งนิดนึงแต่ว่ารู้สึกสะจะรู้สึกตื่นเต้นนะครับสังเกตไหมในความตื่นเต้นน่ะยังมีความซึมแทรกอยู่ เพราะว่าเราไปบังคับมันลำพังตื่นเต้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะร่างกายมันตื่นเต้นจิตใจมันตื่นเต้นเรื่องของมันแต่เราพยายามเข้าไปควบคุมมันไปกดมันให้มันนิ่งอย่าไปกดมันให้รู้มันอย่าไปต้านมันกิเลสนะเหมือนกระแสน้ำนะปล่อยให้มันไหลไปตามธรรมชาติไม่มีอิทธิพลทำลายล้างเลยถ้าต้านเมื่อไหร่ก็มีอิทธิพลเยอะปล่อยเห็นับมันตื่นเต้นให้มันตื่นเต้นไปดูเล่นๆทาตัวเป็นคนดู ก็ อ, อยากจะถามหลวงพ่อจิตของผมนี่น่าจะเป็นดูของคุณดูกายไปเลยก็ได้ดไเลยเออแล้วมันเห็นจิตเองแหละรู้กายไปด้วยนะเพราะจิตมันก็ยังมีทางตัณหาราคะอะไรยังก็มีอยู่แล้วดูกายไปแล้วก็มันจะรู้จิตเองอหะปัจจุบันนี้ผมก็คือจะเดินจงกรมกับออนั่งสมาธิด้วย อ, อ, อย่าให้ซึมนั่งให้ดูซิพวกนั่งสมาธิ ส่วนใหญ่ น, ะนั่งสมาธินั่งน้อมใจให้ซึมเกือบทั้งหมดเลยต้องมาแก้ทีละคนเลยเนี่ยเริ่มละเริ่มละรู้สึกไหมตรงเนี้ยเลิกซะนั่งแล้วก็รู้สึกตัวไม่ให้นั่งแล้วก็นอ้อมนี่หลวงพ่อทำได้นะชํนานาญมากเลยข้างในเนี้ยถ้าดูเป็นจะเห็นได้ซึมไปเลยพนะยายามรู้สึกไว้อาจหมอทรงยศช่วงนี้ได้พักมากขึ้นนะฮะแต่ว่า ยังรู้สึกว่ายังซึมอยู่แต่ยังไม่เอเลิศขึ้นมาดีกว่าเมื่อวานนะดีกว่าเยอะเลยไปดูต่อนะฮะเบอร์ร้อยยีห้ก า, ากราบนรรมสการครับก็อาทิตย์ก่อนรู้สึกว่าจิต ม, มันมันมีแต่ความทุกข์ครับหลวงพ่อแล้วก็มันมันหาอารมณ์ที่จะรู้สึกว่าไปอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขมันก็ไม่ไม่มีครับความสุขเป็นเรื่องหลอกเด็ก ความทุกข์มันเป็นของจริงของโลกถ้าเราภาวนาเป็นเราเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์คนที่ว่าเขาสุขเขาสุขนะถ้าเขาไม่หลอกตัวเองเขาก็หลอกคนอื่นมันไม่สุขจริงหรอกภาวนาแล้วมันจะเห็นว่้ทุกข์ท่วมโลกเห็นทุกข์ดียังไงเห็นทุกข์มันทําให้เราเบื่อหน่ายรู้สึกโลกไร้สาระ พอใจมันเบื่อหน่ายใจคลายความยึดถืออยู่ในโลกนใจหลุดออกจากโลกไม่ใ่มีความสุขความทุกข์นี่เป็นของดีของวิเศษถ้าคนไหนไม่รู้ทุกข์นะก็ไม่ถึงทำการที่เราเห็นทุกข์นะั่นแหละทําให้เราถึงทำเพราะทําให้เราเห็นความจริงว่าโลกนี้ไม่ได้น่ารักเลยโลกนี้ไม่น่าอภิรมใจไม่คลายออกจากโลกแต่คนภาวนาไม่เป็นพอเห็นความทุกขนะ์ใจจะดิน้นตะเกียกตะกายอยากพ้นทุกข์ไปเลย กคนภาวนาเป็นนะเห็นโลกเป็นทุกข์ก็ความจริงมันเป็นทุกข์มัไปเอาความสุขที่ไหนในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความไม่สมหวังเต็มไปด้วยความพลัดพรากเต็มไปด้วยการเจอกับสิ่งที่ไม่พอใจเต็มไปด้วยความแก่ความเจ็บความตายทุกคนทุกแห่งมีแต่ความทุกข์อยู่อย่างนี้คนที่ไม่ภาวนาหรือภาวนาไม่เป็นนะพอเจอความทุกข์ก็ทุรนทุรายไปคนภาวนาเป็นนันแะความทุกข์เป็นทรัพยากรของการปฏิบัตินะ งั้นเรารู้ลงไปเลยน้นกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์จิตเต็มไปด้วยความทุกข์โลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ใจก็อย่าคลายออกคนใดเห็นทุกข์นะคนนั้นมีบุญวาสนาคนไหนบอกเกิดมาไม่เคยทุกข์เลยนี่เวรกรรมที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะโง่เนื่องจากความทุกข์มันเต็มโลกมองไม่เห็น ต, ต้องทำยังไงต้องรู้เอา ก็รู้อะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปนะไม่ต้องทำอะไรกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกดูเขาทำงานไปเรื่อยจนวันหนึ่งเห็นเลยกายทั้งกายทั้งใจมันทำงานทั้งมันเองนะ่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกแถมทั้งกายทั้งใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่เห็นด้มีตัวดีตัวพิเศษตรงไหนเลยเห็นได้อย่างนี้ถึงจะวิเศษที่สุดเลยจไว้นะ ไ, นไม่ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทำหรอกทุกข์นั่นแหละเป็นความจริงของพระอริยะ ความสุขไม่ใช่ความจริงของพระอริยะนะทุกเป็นความจริงของพระอริยะเรียกว่าทุกขสัตว์อยู่ในอริยสัตว์เป็นความจริงของพระอริยะเจ้าแปลได้หลายอย่างนะแปลว่าความจริงของพระอริยะคือความจริงที่พระอริยะไปรู้เห็นก็ได้เป็นความจริงที่ทําให้ปุถุชนกลายเป็นพระอริยะก็ได้เรีนรู้ทุกนะรู้ลงไปกายนี่ทุก์ใจนี่ทุก์อย่าไปเกลียดมัน รู้ด้วยควาเป็นกลางรู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจทํางานไปด้วยไม่มีตัวเราหรอกกายมันทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์ใจมันทุกข์ก็ไม่ใช่เราทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์เขากายกับใจเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ของเราพอเราไปคิดตู่ว่ากายกับใจเป็นของเราเนาะกายเป็นทุกข์ขึ้นมาก็กลายเป็นเราทุกข์จิตใจเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เป็นเราทุกข์นั้นเราภาวนานะเราดูลงไปเลยกายมันทุกข์ใจมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะดูไป ความทุกขมันท่วมโลก น, นั้นเป็นความจริงผู้รู้ผู้เห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็จะหลุดพ้นออกไปพ้นโลกได้ก็เพราะเห็นทุกข์นั่นแหละไม่อยากเกลียดนะอยากเกลียดความทุกข์ความทุกข์เป็นทรัพยากรสำคัญของการปฏิบัติเอาเชิญยกมือเอเบอร์สีสสีฟ้าเห็นใจไหมใจกระวนกระวายใจอยากได้ไมโครโฟน ให้รู้ทันไมโครโฟนตัวนี้นะสะสมพลังงานของกิเลสไว้เยอะพลังงานมากๆเลยคนอยากได้มีโลภะเยอะพอได้มาก็กลัว่ <c oughs> ะวนภ <ำ S 1> <ป>ัสการคะ่ะหลวงพ่อจะถามว่าที่หลวงพ่อเคยบอกว่าไปกดไว้แล้วมันยังอึดอัดอยู่กลางอกมันเป็นตลอดเลยอะคะ่ะยังเป็นอยู่ไหม รด้วยความเป็นกลางมันเป็นเบาๆมันมันน้อยลงแล้วนี่ค่ะรู้สึกไหมค่ะมันน้อยลงก็ดีแล้วล่ะมันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆไปกดไว้เพราะเราอยากดีเราอยาก<ม>สุขเราอยากสงบเราอยากพ้นทุกข์เราอยากปฏิบัติเห็ไหม่มีคําว่าอยากนําหน้าเน้นถ้าใจเรามีความอยากใดๆเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะเราก็ไม่ไปลงมือทําอะไรบางอย่างขึ้นมาสิ่งที่ทําำ่็มีแต่เรื่องบังคับกายบังคับใจ เราบังคับแล้วมันก็อึดอัดแน่นๆขึ้นมาแล้วมันไม่ค่อยมีสติรู้ทันด้วยอะคะ่ะต้องฝึกสติอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกต้องฝึกซ้อมวิธีซ้อมนั้นง่ายๆหาอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งก่อนเช่ น, น, น, นเราสวดมนต์ไหว้พระก็ได้เรารู้ลมหายใจก็ได้เรารู้ท้องพองยุบก็ได้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วก็รู้อยู่ที่อารมณ์นั้นแหละแต่ไม่เพ่ง อยู่ที่อารมณ์นั้นแล้วพอจิตเคลื่อนไปจากอารมณ์มั น, นั้นเราก็รู้สึกเอาอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมเ<ฆ>ช่นเราหัดพุดโทโธพุโทโธหรือเราสวดมนต์เระหังซัมมาสัมพุโทโธพักควาอะไรเงี้ยจิตเราไหลวูบไปหนีไปคิดเรารู้ทันการที่เราหัดซ้อมรู้ทันว่าจิตไหลไปบ่อยๆนะต่อไปพอจิตไหลนะมันจะรู้ได้เร็วรู้เองสติก็จะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเผลอสั้นลงสั้นลงแล้บางทีตอนนี้มันเหมือนว่า ความรู้สึกมันมันโกรธแต่มันไม่โกรธสุดสุดมันมันเป็นความรู้สึกแปลกๆอะค่ะก็ดีแล้วล่ะไอโกรธสุดสุดนั้นมันมีความรู้สึกแบบธรรมดาโลกโลกหมูหมากะไก่มันก็ทําเป็นอย่างนั้นไม่น่าอัศจรรย์ไอที่รู้สึกแปลกๆนั้นอะดีแล้วแต่มันเหมือนมันเผลอไปแล้วมันรู้สึกว่ามันโกรธแต่มันมันโกรธแต่มันโกรธเบาๆอะค่ะบอกนั่นแหละรู้ไปนะก็แค่รู้เท่านั้นต่อไปนะความโกรธมันก็อยู่ห่างๆนะ มันไม่เข้ามาย้อมใจเราต่างคนต่างอยู่กิเลส ท, ทั้งหลายอยู่ห่างๆไม่เข้ามาย้อมใจเราอันนี้คือพัฒนาขึ้นเนาะใช่พัฒนาแต่ว่าให้รู้ทันว่าจิตกําลังสงสัยอยู่รู้สึกทําไมพัฒนาแบบนี้หวะาทำไม <c oughs> ไม่ไม่พัฒนาเหมือนที่เราอยากให้พัฒนาเลยแล้วมันขี้งุดขี้โมโหขึ้นด้วยอะค่ะห ล, ง <c oughs> ลวงพ่อนั่นแหละพัฒนาเป็นเมื่อก่อนเก็บกดเอาไว้<ฆ>คนที่ไม่เก็บกดนะกิเลสจะเกิดทั้งวันเลยเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็โมโห แต่นี้มองไม่ค่อยเห็นกิเลสเท่าไหร่เลยค่ะหลวงพอ่อเรารู้ไมหมโมโหอะรู้แต่ว่าแบบรู้แล้วไม่เห็นีเห่อรู้ก็เห็นก็อันเดียวกันแหละก็รู้ว่าใจเราโกรธนั่นแหละก็เรียกว่าเห็นมันแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะหลวงพ่อบอกว่าอย่าทะเลาะ ก, กับแม่แต่ว่าบางทีแม่เขาผิดจริงๆแนละ้วถ้าเราเงียบเราเราอย่างนี้เขาก็ยิ่งเอาใหญ่ขึ้นไปสิคะ่ะนี่แหละ เขาเรียกว่ายุคลูกบังเกิดเกล้าก็เลยบอกว่าถ้าเราตามรู้เฉยๆว่าเราแบบเออเราตามรู้ว่าเราโกธรถ้าเขาไม่ไปทําเรื่องเสียหายนะเช่นไปก่อหนี่ก่อนศีลอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปคัดค้านแ้าแค่พูดควยประสานอะไรเงี้ยเราก็ดูใจของเราไปเราเราก็ปล่อยเขาไปหรอคะปล่อยเขาไปปล่อยไปดูของเราไห้ก่อนพัฒนาตัวเองก่อน วิธีที่จะสอนพ่อแม่นะไม่ใช่สอนด้วยปากเราเองก็ยังขี้โมโหเราเองก็ยังเก็บกดอะไรเงี้ยแล้วจะไปสอนเขาบอกว่าให้ปฏิบัติทมแล้วดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่เชื่อเราต้องพัฒนาตัวเองจนเขารู้สึกได้เช่นเราภาวนานะจิตเรารู้ตื่นเบิกบานจิตใจเราร่มเย็นเป็นสุข <S <S เขาสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของเราเราพูดเราถึงจะมีน้ำหนักเชื่อถือได้ถ้าเราก็ยังงดแง็ดงดแง็กับเขาเหมือนเดิมนะเขาก็ไม่เชื่อหรอก เราต้องพิสูจน์ด้วยการทำให้เขาดูใช้เวลานิดนึงแล้วจะถามว่าหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำหนูเนี่ยแนะนตั้งเยอะแล้วอย่าไปตีกับ <c oughs> แม่นะ <c oughs> อย่างนี้ก็กลับไปดูจิตไปเรื่อยๆไปดูจิตตัวเองไห ม, <c oughs> ไมเวลามันจะมีความคิด <c oughs> ความเห็นนะแม่ทำอย่างนั้นไม่ถูกเลยทำงี้ไม่ถูกให้รู้ทันเลยเรายึดในความคิดความเห็นของเราเองแล้วให้รู้ทันเนี่ยจิตมันไปยึดในความเห็น คนในโลกทะเลาะกันด้วยสองสิ่งเท่านั้นผลประโยชน์ขัดกันนะกับความคิดเห็นขัดกันผลประโยชน์ขัดกันไม่ต้องแย่งชิงกันอันนั้นเป็นธรรมชาติของสัตว์ทรัพยากรมีน้อยต้องแย่งกันแต่บางคนมันก็พอแล้วพออยู่พอกินแล้วมันอย่างแย่งนี่แย่งโดยเกินสัญชาตญาณสัตว์อันนี้แย่งด้วยกิเลสละอีกอันหนึ่งความคิดเห็นขัดแย้งกันอันนี้แก้ ง, ง่ายให้เรารู้ทันว่าเรายึดในความเห็นของเราแค่นี้ก็หมดเรื่องละ เอาเบอร์ร0อยหนึ่งวันนี้ตอบยาวๆแต่ละคนกลับนมัสการหลวงพ่อช่วงนี้ดูจิตไม่ค่อยออกจะปิ่นมาดูกายแทนได้ไหมคะทำไมรู้ว่าดูจิตไม่ออกอะมันมันไม่ค่อยรู้ความรู้สึกอะค่ะรู้ไหมว่าอยากรู้รู้อ่ารู้นั่นแหละรู้ลหละไม่ใช่ว่าต้องรู้ชัดๆไม่ใช่ต้องรู้อันโนอนรู้อันนี้ ขณะนี้ดูไม่ออกรู้ว่าดูไม่ออกก็รู้แล้วขณะนี้อยากจะดูให้ออกรู้ว่าอยากอยู่ก็รู้แล้วนะส่วนกายเนี่ยยังไงก็ต้องรู้อยู่แล้วแะมันต้องรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตแหละอย่างตอนนี้จิตเคลื่อนไหวดูออกไหมจิตไหลไปคิดเราก็รู้ว่าจิตไหลไปคิ ด, ดเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเนี่ยเห็นไมเราก็รู้กายรู้จิตไปแล้วแต่สติมันจะรู้อยากพูดรู้สึกไหมความอยากมันดันขึ้นมาล้วก็รู้ทันมันนะ แล้วปกติจะนั่งสมาธิกับเดินจงกรมอะคะ่ะหลวงพ่ออย่าให้ซึมก็แล้วกันนะนั่งสมาธิได้ปะคะลองนั่งซิวันหลังต้องจัดคอสนั่งแนละ้วเอาแล้วเหมือนกันทุกคนเลยพอเริ่มนั่งก็น้อมใจให้ซึมลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นลองหัดใหม่นั่งสมาธิลืมตาดูบ้างลืมตาแล้วรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายนี้นะเหมือนเรานั่งดูตัวเองหายใจอยู่ อย่าให้ขาดสตินะอย่าให้เผลอดูเหมือนเห็นตัวเองหายใจจิตเกิดความสงสัยทราบไหมจิตเกิดความสงสัยล้วให้รู้ทันเข้าไปเลยแล้วก็นั่งดูตัวเองหายใจไปอย่าให้ซึมเบอร์ยี่สิบห้นั่งอย่างตะกี้ใช้ไม่ได้นะเกือบร้อยละร้อยเลยของพวกนั่งสมาธินั่งเพิ่มโมหะกลับนมาสอบการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบว่าคุณหลวงพ่อมากเจ้าค่ะที่แนะนําแนวทางในการปฏิบัติให้ทําให้เดี่ยวความทุกข์ดีๆขึ้นแล้วก็เชื่อว่าเป็นทางเดียวที่จะพ้นผ่านวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เจ้าค่ะสู้นะสู้เอาวิกฤตในชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าคะ่ะสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ก็คือพยายามตามรู้ตามดูอยู่เจ้าคะ่ะแต่ว่าที่ไม่แน่ใจก็คือว่าสิ่งที่รู้เนี้ยรู้จริงๆหรือจงใจรู้หรือคิดว่ารู้ว่าเจ้าคะ่ะรู้นะแต่จิตไม่ตั้งมั่นพอ จิตยัง ก, กระจายออกไปกว้างๆรู้สึกไหมก็ยังไม่ค่อย เ, เท่าไหร่จิตมันไม่ทวนเข้ามาหาตัวเองจริงอะ่ะแล้วมันรู้แล้วมัน<ง> ป, ล, ป ล, ล่งๆโล่งๆสบายแล้วมันพอใจในความสบายให้รู้ RM ทันตรงนี้แหะตรงที่มันไปพอใจในความสบายแล้วภาวนาแล้วมีความสุ ข, ขขึ้นมาแล้วเราพอใจถ้าเราพอใจเราก็จะติดอยู่ตรงนี้เราพัฒนาต่อไปไม่ได้ให้รู้ทันว่าพอใจนะมีความสุขขึ้นมาแล้วเราก็รู้ทันห้าเบอร์เจ็ดสีชมพูกลับก่อนว่าคุณเจ้าค่ะ สงสัยได้ไม่กี่คนวันนี้ทำไมตรวจกันบ้านได้น้อยครับหลวงพ่อคะ่ะคืออยากให้หลวงพ่อช่วยอยากให้รู้ว่าอยากว่าเจริญสติเป็นธรรมชาติหรื อ, อยังแล้วว่าเป็นไหมล่ะหลวงพ่อก็ไม่อยากทำลายขวัญ บางทีมองไปข้างหน้าแล้วมันเหมือนจ้าจ้าค่ะหลวงพ่อ <c oughs> จ้าจ้าแล้วบางทีที่หลวงพ่อบอกไม่ย้อนกลับเข้ามาแต่บางทีก็รู้สึกว่าย้อนกลับเข้ามาแต่พอเข้ามามันเห็นลมหายใจหรือไม่รู้ว่ามันเป็นบังคับหรือว่าไปกดมันหรือเปล่าค่ะวิธีดูง่ายๆว่าบังคับหรือเปล่านะั้นก็คือถ้ามันกลับมาแล้วมันแน่นแน่ น, นขึ้นมาแน่นๆหนักหนักขึ้นมาเนี่บังคับค <c oughs> ถ้ากลับเข้ามารู้ตื่นเบิกบานเบาสบายก็ไม่ได้บังคับไหม <c oughs> แต่ไปอยู่ข้างนอกแล้วเบาเบาสบายใช้ไม่ได้นะ มันไปหลงอยู่ข้างนอกแล้วสรุปแล้วสรนะจิตไม่ตั้งมั่นตอนนี้ยังไม่ตั้งมั่นใช่จําประโยคนี้ไว้นะแล้วไปถามพี่เลี้ยงเบอร์36ขออีกนิดหนึ่งได้ไหมคะหลวงพ่อเราต้องมีใช้อะไรเป็นวิหารธรรมดีดูจิตไปเลยเราเป็นคนช่างคิดเบอร์สาขอโอกาสเรียนถามหลวงพ่อครับโอาวันนี้พูดถูกหลักพูดเหมือนคนวัดป่าเลย ว่าไปว่าผมพอจะรู้สึกตัวเป็นหรือยังครับเป็นขอบคุณครับแต่อย่าไปกดไว้นะครับที่ทําเก่าๆนั้นยังเพ่งเยอะไปอ๋อครับปล่อยซะปล่อยให้มันเคลื่อนไหวแล้วตามรู้ให้กายเคลื่อนไหวไปแล้วตามรู้ให้จิตเคลื่อนไหวแล้วตามรู้ไม่มีการกดอยู่ที่จิตเรื่อยๆอย่าไปกดที่จิตไว้รู้สึกไหมมันนิ่งๆทื่อๆรู้สึกครับเออเลิกซะตรงนั้นถ้าไม่เลิกมันไม่เดินปัญญานะเบอร์ยี่สสาสีชมพู ก็อานหลวงพ่อนะครับแต่ิผมนี่ต้องดูกายใช่ไหมครับทําสมาธิชํานาญไหมไม่ชํานาญครับไม่ชํานาญทําสมาธิไม่เป็นไม่ได้นะดูกายยากตอนนี้เริ่มหัดเดินจงกรมแล้วมันจะมีอาการชานั่นแหละเดินเดินจงกรมไปดีล้นะแต่มันจะมันจะชาที่ปลายแขนนะครับอะไรนะจะติดเพ้งอะครับชาที่ปลายแขนนะครับแล้วอย่าไปทํำสิแค่เดินเล่นๆเดินแล้วดูอิตาคนนี้มันเดินนะไม่ใช่กะว่าเราจะเดินจงกรมนะ แค่เดินดูอิตาคนนี้มันเดินแนละ้วทใจแบบเนี้ย ด, ด, ดูมันเดินเล่นไปเรื่อยๆจะสงบเพราะช่างมันจะไม่สงบเพราะช่างมันแต่ว่ามันเผลอเมื่อไหร่เรารู้บ่อยๆดูกายมันเดินดูจิตมันทํางานจิตแอบไปคิดทราบไหมเมื่อกี้นี้ะนะมันหลงไปคิดของคุณยังติดเพง่งติดกดอยู่ยังเพ่งกดนิ่งๆไปของคุณสมาธิพอใช้ได้นะที่บอกว่าทําสมาธิไม่เป็นไม่ใช่หรอก ทำสมาธิได้พอดีพอดีก็เคยฝึกมาบ้างครับเออนะ่มันหลอกกันไม่ได้กินน้องมันบอกเราว่าไม่ไม่ทําสมาธิสมาธิน่าใช้ได้แค่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปนะดีใช้ได้ละขอบคุณครับมาให้ข้อมูลเราคลาดเคลื่อนนี้เราสงสัยขึ้นมาเอาเวอร์ยีสิบสองสีชมพูการการนมัสการหลวงพ่อและขอการถามหลวงพ่อหนะครับใจมันเหนื่อยเหนืยหม ใจมันตื่นเต้นแล้วก็ประหม่าด้วยตอนนี้อย่าไปกดมันก็มาได้มาได้สองวันเมื่อวานก็เข้ามาฟังแล้วก็มันตอนบ่ายรู้สึ ก, กว่าปวดหัวมากเลยไม่ทราบว่าเกิดจากความเครียดหรือว่ากังวลหรือว่าเป็นเพราะอากาศไม่รู้สิ <laughs> แล้วก็ได้ตอนเย็นก็ได้เจ้าพ่อก็ปวดหัวเหมือนกัน <laughs> แล้วไง ตอนค่ำๆก็ได้จับกลุ่มสนทนากับพี่เรียงก็ให้คำแนะนำบ้างก็พอคลายลงบ้างแล้วกลับมานอนกลางคืนก็ก็ยังปวดหัวอยู่แล้วก็นอนไม่ค่อยหลับเลยในกลุ่มไม่มีหมอบ้างเลยเหรอแล้วมาตอนเช้านี่ดูวาดีขึ้นมันเป็นทางร่างกายนะไม่ใช่ทางจิตครับไม่ทราบว่าภาวนาถูกหรือเปล่าครับภาวนาพอใช้ได้แล้วภาวนาไม่ได้มีปัญหาอะไรหล้วขอคุณปล่อย ทำใจสบายๆดูกายทางานไปไปเดินนะเอ็กซ์ไซเบาๆไม่ได้เดินแบบเคลื่อนๆนะเดินแล้วก็ดูเห็นกายมันเดินเห็นใจมันทํางานเดินเล่นๆแล้วจะริดอย่างผมควรจะพิจารณาอะไรดีคะของคุณดูกายไปดูกายูกแล้วมันจะเห็นจิตครับขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อเบอร์หกเบอร์หเบอร์หกเห็นไหมดีใจอยากได้ไมโครโฟน ค่ะก็คือเมื่อวานได้คุยกับพี่เลี้ยงช่วงบ่ายอะค่ะแล้วเกิดอาการเก็บกดน้ําตา<อ>มันก็พี่เลี้ยงสอนไงเก็บกด <laughs> อยู่ดีน้ําตามันก็ร่วงหนูก็เลยตั้งใจที่จะ hey, ดื่มน้ําตาร่วงไม่ใช่เก็บกด <laughs> ถ้าน้ําตาจะร่วงแล้วฝืนไม่ให้ร่วงอะถึงจะเก็บกดอั้นเอาเป็นว่าตอมน้ําตาแตกละกันค่ะเ <laughs> ออแล้วไงอีกก็เลยตั้งใจที่จะ หายใจลึกๆเข้าไปแต่ว่าเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ตัวค่ะเพื่อให้มันเลิกร้องไห้หรือไงอืมเพื่อให้ให้รู้สึกที่ตัวเองอะคะ่ะอยากรู้สึกรู้สึกไหมยอยากค่ะให้รู้ตั้งแต่อยากเลยนะถ้าเรารูต้ตรงอยากได้นะ ร, รู้ตั้งแต่ต้นทางเลยแล้วพี่เขาก็จะบอกว่าหนูติดสมถะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคยฝึกอะไรเลยอืมหนูดูไปใจมันฟุ้งซ่านหนูรู้ไปนะต้องไงอีก ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงต่อรู้ว่างงไหมงงค่ะเพราะมันงงให้รู้ว่างงไงมันไม่คลิกมันไม่คลิกก็รู้ว่ามันไม่คลิก <c oughs> เราเปลี่ยนวิธีเรียนสินะเราไม่ได้เรียนเพื่อคิดคิดทำความเข้าใจมันหรอกเราหัดรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นกายเห็นใจทางานไปใจเราฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านใจเราสงสัยรู้ว่าสงสัย ใจมันไม่คลิกรู้มันไม่คลิกใจเป็นไงรู้ว่าเป็นยั้นหัดดูอย่างนี้ก็รู้ว่าฟุ้งซ่านก็ถามว่ายังรู้นี่ควรจะฝึกดูจิตอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ฟุ้งมากออกเราดูจิตไปเลยนะไม่ได้ติดสมถะหรอกแต่ฟุ้งก็บอกพี่เลี้ยงอย่างนั้นเหมือนกันคะ่ะอ๋อ แย่เลยเสียชื่อพี่เลี้ยงอย่าบอกนะว่าพี่เลี้ยงชื่ออะไรเดี๋ยวพี่เลี้ยงหัวใจวายไปขอบคุณค่ะคงจะเป็นคนที่ดูยากมากพี่เลี้ยงเลยสับสนรู้สึกไหมจิตขนาดเนี้โปร่งโปร่งจิตที่รู้สึกตัวเป็นจิตที่สบายสบายแบบเนี้ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละตอนนี้เป็นจิตที่กดเอาไว้แล้ว อย่างแต่กี้ที่คุยเล่นกับหลวงพอ่อรู้สึกไหมใจมันโปรงโปร่ ง, งใจมันสบายสบายนั่นแหละมีใจที่สบายงั้นอุตสาจอีกแล้วทราบไหมทราบค่ะเออไปกดมันสิเมื่อไหร่จะรู้สึกตัวได้สทีก็ไม่รู้ตะกี้นี้ที่คุยกับหลวงพอ่อนั่นแหละรู้สึกตัวรู้สึกตัวแเพียงแต่มันไม่แขวนป้ายว่ารู้สึกตัวสักนะิดหนึ่งมันรู้สึกอยู่ไม่ใช่ไม่รู้สึกรู้สึกไหมใจเราโล่งโลงขึ้นมา จิตใจที่รู้สึกตัวนะมันจะโปร่งโล่งเบาสบายรูเนื้อรู้ตัวอยู่คล่องแคล่วปราดเปรียวอยากพูดอีกแล้วรู้สึกไหมายัง เ, เห็นความช่างพูดไหมเห็นไหมหลวงพ่อบอกแล้วเป็นโรคฟุ้งไม่ใช่โรคเพ่งอะไรหรอกกดอีกแล้วรู้สึ ก, สกไหมมันไม่ยากเท่าที่คิดฟังให้ดีนะโดยพื้นฐานเนี่ยดีอยู่แล้วนะโดยพื้นฐานของเราเราเป็นคนขี้โมโห ใจมันเคลื่อนไหวก็ชุกชักรวดเร็วพวกนี้ภาวนาง่ายนะเราอย่าไปกดมันอย่าไปบังคับมันความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นก็รู้ไปอย่างความอยากพูดเกิดเนียเห็นให้รู้ทันไปเลยใจมันอยากพูดก็รู้หัดรู้ทันอย่างนี้แหละนะเราจะได้ผลไม่นานหรอกหลวงพ่อคะอย่างอย่างที่น้ำตาแตกนี้เัวมันเก็บกดปะคะไม่กดไม่ใช่เรื่องน้าตาแตกแล้วมันกดไว้นะจิตมันเกิดธรรมปีติเห็นฟังภาษามันโก้เก๋ออก เทพดีออกหลอเคยมีนะหลวงพ่อเคยรู้จักพระวงหนึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ด้วยนะเป็นเจ้าคุณด้วยภาวนาไม่เป็นนะแต่ชอบสอนกรรมฐาน ท่นสอนสอนแถ้าคนไหนน้าตาตกได้นะโอ้จบหลักสูตรแล้วจินมันมีปีติขึ้นมาก็คือเมื่อวานฟังพี่เลี้ยงเขาบอกว่าที่หนูน้ําตาไหลเนี่ยเนื่องจากว่าคล้ายๆของอาการเก็บกดก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆฉันเก็บกดมากขนาดนั้นเลยหรือเปล่าฉันไม่เก็บกดตั้งแต่พี่เลี้ยงบอกว่าเก็บกดฉันนจะไม่เก็บกดหรอก จำไว้นะมีวิธีดูง่ายๆเลยคนไหนพูดมากคนนั้นไม่เก็บกฎจำไว้นะขอบคุณค่ะเออเห็นไหมไม่เก็บกฎแล้วเนะเาะอ้าวเบอร์ย1สอสีฟ้าข้างหน้าในข้างหน้านั่งเก้าอี้เออก็ ปฏิบบอย่างที่หลว ง, งพ่อสอนนะเจ้าค่ะแต่ยังไม่เคยเห็นช่องว่างที่ขั้นอยู่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอย่าหวังจะเห็นนะอย่าอยากก็ไม่ขึ้นวิปษษสัสสนาไม่ไม่จํ า, าเป็นไม่จําเป็นเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งไหม <c oughs> <c oughs> เห็นจิตอยู่ส่วนหนึ่งไหม bardziej? อย่างนี้ใช้ได้แล้วคณะมันแตกมันมีสองอันนะสันตติขาดก็เห็นขาดเป็นช่วงๆอีกอันหนึ่งคณะคณะขอละครังนอนหนูกลุ่มก้อนแห่งความเป็นตัวตัวนี้แตกออกดูอย่างนี้ก็ได้ ไม่ต้องเห็นเหมือนคนอื่นหรอกแต่หลวงพ่อให้การบ้านโยมสังเกตไหมร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งสังเกตไหมเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ต่างหากนะจิตอยู่ต่างหากกุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งเช่นความโกรธเกิดขึ้นความโกรธไม่ใช่จิตความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าเท่านั้นจิตอยู่ต่างหากจิตไม่ได้โกรธจิตเป็นคนรู้ว่าโกรธค่อยๆฝึกนะค่อยๆแยกทุกอย่างออกไป หลวงพ่อให้กันบ้าง น, นี่ไงให้แล้วยากนะ <c oughs> <c oughs> ค่อยๆดูไปกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งกิเลสอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งค่อยๆดูไปนะของโยมมีปัญหานิดเดียวโยมยังประคองจิตไว้ยังรักษาความสงบความนิ่งอยู่ตัวนี้ต้องปล่อยซะวิธีปล่อยทำยังอย่าประคองไว้อย่าจงใจรักษามันนะให้ใจของเราเนี่ยได้สุขสนบ้างอย่าเรียบร้อยเกินไป ต้องกลับไปนึกถึงสมัยที่เรายังภาวนาไม่เป็นไม่เคยฝึกจิตใจเราเป็นแบบคนธรมธรมดาธรรมดาจิตอย่างนั้นนะฝึกวิปัสสนาง่ายส่วนจิตของนะักปฏิบัติที่ประคองให้นิ่งให้นุ่มนวลอะไรนี่มันจิตของพลมสะนะจิตอย่างนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแสดงไตรลักษณ์ยากงัง้นโยมอย่าไปบัปงคับจิตให้นิ่งๆนุ่มนวล น, นะให้มันสโซนๆเหมือนที่เคยโซนตอนเด็กๆตอนเด็กๆโยมสนนะเนี่ยเนยใจเริ่มเขยับออกมาแล้วดูออกไหม จะต้องเป็นตัวของตัวเองอย่ันนี้ยแล้วเราตามดูมันทํางานรู้สึกไหมมันไม่เหมือนกันตะกี้แล้วนี่ต้องกลับไปอย่างนี้นะกลับไปเป็นคนสุขสนไว้ก็แปลกดีนะสอนให้สุขสนบางคนหลวงพ่อสอนให้ขึ้นต้นไม้ด้วยซ้ำไปของโยมกลับไปประคองให้นิ่งอีกแล้วรู้สึกไหมตรงเนี้ต้องเลิกตัวนี้แหละที่ขวางการทําวิปัสสนาอยู่มันประคองเอาไว้ไกลายเป็นสมถะไปเอาใหม่ซนใหม่ทรงใหม่ซ น, นอีก คราวนี้แกล้งสนข้างในยังเกาะอยู่นะไม่หลุดดูออกไหมเออเนี่ยให้รู้ทันเลยเนี่ยเราจะไม่เกาะนะหมดแรงเอาเท่านี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวขอคุยกับพระต่อเดี๋ยวนี้สอนโยมได้ชั่วโมงหนึ่งเช้าอีกครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งพอสมควรละ